ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สี่สิก็คุยกันเรื่องแทรกนิดหน่อยที่ทสุรเดชถามเกี่ยวกับวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการที่เรียกว่าวิพัชวานะนะไม่ใช่อยู่ในเรื่องสัมมาวาจาเด็ตรง คือวาจารูปทธเจ้าสัตว์ก็ย่อมเป็นสมาวาจาอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่ามันมีหลักการพิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีวิธีตรัสเรื่องราวต่างๆแล้วก็หลักการสำคัญอันหนึ่งก็คือวิภัชวาวซึ่งเป็นหลักใหญ่จะเป็นการตอบ ป, ปัญหากตาม จะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆก็ตามจะส่งใช้วิพัฒชาวาทอยู่เสมอจนกระทั่งบางทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปมีคุณลักษณะเป็นวิพัฒชาวาทีและก็เรียกพุทธศาสนาก็เป็นคำสอนแบบวิพัฒชาวาทวิพัฒชาวาทวิพัฒชาวาทีก็คือว่าแยกแยะกล่าวพูดแยกแยะ พูดเยอะแยะนี่ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ครบถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะบางบางทีความจริงนั้นเราจะพูดลงไปส่วนเดียวไม่ได้ต้องพูดให้ครบตามความจริงทุกแง่ทุกด้านยกตัวอย่างเช่นเรื่องว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยแม้แต่คนจะไปบอกว่าดีหรือชั่วลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ย เพราะแต่ละสิ่งแต่ละคนมีแง่ดีแง่เสียเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ตรงก็ต้องแยกแยะพูดแยกว่าเออดีในแง่นี้ยังหย่อนในแง่นั้นวันนี้ในการตอบคําถามก็เช่นเดียวกันตอบคำถามนี่คําถามบางอย่างนี่จะตอบเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการแยกแยะ ฉันอย่างเขาถามบอกว่าคนทุกคนในที่สุดต้องตายใช่ไหมอย่างนี้ก็เออพอจะตอบอย่างเดียวได้ ว, ว่าใช่นะแต่บอกนะี่แล้วไอ้ที่ตายอะทุกตนเป็นคนหรือเปล่านะอย่างนี้ล้วตอบไม่ได้แหละต้องแยกแยะต้องแยกแยะตอบว่าเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีแล้วก็ อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแสดงความจริงให้ถูกต้องมีเรื่องเป็นตัวอย่างเป็นพระ ส, สูตรพระ ส, สูตรหนึ่งนะซึ่งเป็นวิพัฒชวาตการแยกแยะเกี่ยวกับกรณีที่ว่าวาจาอะไราพระพุทธเจ้าจะตัดและไม่ตัดไม่ตัดนะ <c oughs> ก็เป็น อย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นพระ ส, สูตรหนึ่งเลยพระ ส, สูตรนี้ก็มีเรื่องว่าเจ้าชายองค์หนึ่งชื่ออภัยเรียกเต็มๆว่าอภัยราชกุ ม, มารเป็นสาวกของนิครออันนี้อยู่มาวันหนึ่งก็นิครอนทัณฑะบุตรนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้ก็อบอกกับอภัยราชกุ ม, มารลูกศิษย์ผมนี่ ท่านลองไปหาพระสมณะโคดมดูแล้วก็ไปยกวาธทะยกวาธทะนี่หมายความว่าไปถามปัญหาหรือไปพูดโดวยวิธีการที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเสียท่าเอางั้นเถอะพูดภาษาชาวบ้านอ หมดทางไปตันแล้วก็แพ้นะซงซึ่งถือว่าการที่ว่าไปโต้คารมหรืออะไรแล้วทำให้ยกวาทะได้นี่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้นี่ในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากแสดงสังสติปัญญาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเก่งกว่ามีสติปัญญาดีกว่าอันนี้ก็ ถ้าท่านถามได้อย่างนี้นะท่านจะมีชื่อเสียงมาก mm hmm. เพราะว่าสมณโคดมนี่เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือมากอยู่แล้วท่านชนะได้ก็ยิ่งเก่งใหญ่นี่นิรทุนทนาจ บ, บุตรก็บอกวิธีบอกว่าให้ท่านไปถามวัสมณโคดมว่าวาจาที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจก็คนอื่นนะั้นพระ สมรักโคดมจะพูดไหมว า, างั้นนะอันนี้ถ้าบอกว่าพูดนะก็เสียท่าแหละเพราะว่าท่านก็จะบอกได้เลยว่าพระสมณักโคดมก็ไม่ต่างกับชาวบ้านทั้งหลายนะชาวบ้านเขาก็พูดวาจาที่ไม่เป็นที่รักมิตรจนที่ชอบใจของคนอื่น นีถ้าพระสมณโคดมบอกว่าไม่พูดนะท่านก็ยกวาทันได้อีกบอกว่าอา้าวก็พระสมณโคดมเคยพูดถึงพระเทวทัตนะพูดกับพระเทวทัตพยากรณ์ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะต้องไปนรกเพราะทำกรรมชั่ว าว่าจางี้พระเทวทัตก็ไม่ชอบแล้วท่านพูดแล้วเนี่ยเง น, นก็ไปไม่ได้ทั้งสองทางอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุพโตโกโติกะปัญหาปัญหาหรือคำถามที่มันเป็นสองเงื่อนนะเรียกว่าตอบข้างใดข้างหนึ่งก็ผิดทั้งคู่อันนี้อภัยราชกุ ม, มารนี่ก็เชื่อนิโครทนาตบุตรวันหนึ่งก็ได้โอกาส ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงเย็นเกินไปก็ไม่น่าดูเอ่่เวลาถ้าจะไม่เหมาะก็เลยเอางี่ดีกว่าเรานิ่ยมนให้พระสมณโคดมนิพพานที่บ้านพรุ่งนี้แล้วก็จัดการที่นั่นนั่นนะก็เลยนี่ยมนว่าขอให้ท่านสมณโคดมเนี่ยรับพระตาหารที่บ้านพรุ่งนี้สี่รูปนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป หวายพระตาหารเสร็จแล้วพระสมเด็ท่านอภัยราชกุ ม, มารก็ได้ทูลถามปัญหาเนี่ยบอกว่าถ้อยคําที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นนี่พระองค์ตรัสไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่างั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ อภัยราชกุมารก็เสร็จแล้วเราหมดท่าแล้วถ้าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสออกมาว่าพูดหรือไม่พูดอย่างเงี้ยก็อภัยรจ้าชากุมารก็ได้โอกาสเลยได้ทีเลยใช่ไหม น, นี่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นตรัสบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ไม่ได้ไม่กล่าวลงไปอย่างใดยังเด็ดขาดลงไปข้างเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อ อภัยร า, าชกุมารได้ฟังอย่างนี้ก็เลยบอกเสร็จแล้วพวกนิโครนแย่แล้ววางเนงะินแค่อุทานออมาพระเจธเจ้า ก, ก็เลยจัดถามว่าอ้าเป็นยังไงล่ะอภัยร า, าชกุมารก็เลยทูลเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นิครัลท่านานัตบุตรบอกให้มาถามนึกว่าจะยกวาทะพระสมณโคดมได้เนี่ยใ น, นี้ในถ้อยคําที่ นี่คนทน่านไแต่บุตรพูดมานะบอกว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าพระสมณโคดมตอบว่าตรัสหรือตอบว่าไม่ตรัสก็ตามเนี่ยนะก็แปลว่าท่านไปไม่ได้ทั้งสองแง่ผิดหมดนะจะโดนภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกับว่ามีตะขอเหล็กเข้าไปสับที่คอว่ากันจะกลืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกนะ เมื่ออภัยราชกุ ม, มารกราบทุนพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามอภัยราชกุ ม, มาพรพอดีว่ามีเด็กคนหนึ่งเด็กเล็กๆ เ, เด็กอ่อนมานอนอยู่บนตักของอภัยราชกุ ม, มารพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามบอกเนี่ยนี่ถ้าหากว่าเด็กคนนี้เกิดหยิบเอาอะไรเป็นไม้หรือเป็นก้อน หินกลวดเล็กๆใส่ปากกลืนเข้าไปแล้วไปติดคออยู่เนี่ยแล้วท่านจะทำไงแั้วพระเาชุกุมารก็กลับทูลว่าอ้าวก็ต้องเอาออกสิแล้วทีนี้ถ้าเอาออกยากก็ต้องล้วงต้องพักเอาจนกระทั่งออกถึงแม้จะมีเลือดไหลบางก็ต้องเอ า, อางเอาที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ว่าจะคิดร้ายต่อเด็กแต่ว่าเนี่ย ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาตอนเด็กก็ต้องทําอย่างเงี้ยแม้เด็กจะต้องเจ็บพระธเจ้าก็ตรัสแบอบกว่าเนี่ยก็เหมือนกันแหละเราจะพูดวาจาอะไรก็ได้ปรารถนาดีกับคนนั้นแต่บางทีก็ต้องพูดคําที่ไม่ชอบใจเหมือนกันแต่นี้พระเจ้าก็ตรัสแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสเด็ดทีเดียวอย่างเงี้ยพระองค์ก็ตรัสแบบว่าวาจาที่ ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาอย่างนี้พระองค์ไม่ตรัสว่างั้นนะอันนี้ก็ต่อไปวาจาที่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาพระองค์ก็ไม่ตรัสวาจาที่จริงเป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขา ลงรู้จักการที่จะตัดนี่โยมนี่นะรู้จักการไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเลื่อยเปื่อยต้องรู้จักการต้องเลือกเวลาที่จะตัดนะหมายความบางบางทีก็ตัดแต่ต้องรู้จักการด้วยนะอันนี้ก็คอสําคัญคําว่ารู้จักการเอาล้ได้ได้อันที่หนึ่งแล้วนะที่ว่ามีสามมา น, นี่มีอันนึงแล้วที่รู้จักการที่จะตัดไม่ใช่จะอยู่ ก, ก็ตัดอันที่ว่าตัดเลยอันนี้ไม่มีต้องรู้จักการที่จะตัด ก็คือวาจาที่จริงเป็นประโยชน์แม้ไม่เป็นที่ชอบใจนะต่อไปวาจาไม่จริงนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจกับเขาพระองค์ก็ไม่จัดนะวาจาที่อะไรจริงไม่เป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจของเขาพระองค์ก็ไม่จัด วาจาที่จริงเป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจของเขานี่หมดเลยนะจริงเป็นประโยชน์ชอบใจขเขาเพราะองค์ก็รู้รู้จักการที่จะตัดคือไม่ตัดเรื่อเยเปนะต้องรู้จักการจบเป็นอันว่ามีหกข้อนะ <c oughs> ก็หมายความว่าบางครั้งวาจาที่เขาไม่ชอบใจนี่ แต่ว่ามันเป็นความจริงและเป็นประโยชน์พระองค์ก็รู้จักเวลาตัดตัดให้เหมาะรอเวลาหรือตัดให้เหมาะสมกับการเวลานั้ น, น, นที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าหวังประโยชน์แกเขาด้วยเอ็นดูด้วยกรุณาไม่ใช่หวังร้ายเหมือนอย่างกัรว่าที่อภิยราชกุ ม, มารต้องล้วงเอาไม้เศษไม้เศษอิฐเศษหินออกจาก คอเด็กนะแม้เด็กจะเจ็บแม้แต่เลือดไหลแต่ว่าเพื่อจะช่วยเด็กนั้นนั่นเองอันนี้การจัดอย่างนี้วาจาอางนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิพัฒชวาตนะฮะที่ว่าไปแล้วแล้วการตอบ ป, ปัญหาอย่างนี้เรียกว่าวิพัฒชวัตรพยากรอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจัดตอบไปอย่างนี้แล้วอพญยราชกุ ม, มารก็เรื่อมใส ก็เห็นในปีชายานของพระพุทธเจ้าก็ประกาศความเลื่อมใสในพระสูตรก็กล่าวว่าได้ขอถึงพระตรรตรัยเป็นสระณะตลอดชีวิตนี่ก็จบพระสูตรนี้อันนี้ก็ จะเป็นหลักในการกล่าววาจาของคนทั่วไปและเป็นวิธีตอบปัญหาด้วยนะเหมือนอย่างจะมีใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สะโดษใช่ไหมยอย่างเงี้ยถ้าตอบไปว่าใช่แสดงว่าพลาดแหละเขาเรียกว่าเป็นเอกังสพยากรหรือเป็นเอกังสวัสดตอบแง่เดียวตอบพางลงไปเด็ดขาดอย่างนี้กรณีนี้ผิด เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษก็มีสอนให้ไม่สันโดษก็มียังไงสอนให้สันโดษอ้าวให้สันโดษในวัตถุเสพบำรุงบเรองนะสำหรับพระก็สันโดษในปัจจัยสี่ไม่สันโดษก็มีก็ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นใครมาถามปัญหาก็ต้อง รู้จักแยกแยะแล้วก็ตอบให้ตรงความเป็นจริงพ อ, พอดีพอดีความจริงพอดีได้มันก็ต้องครบแง่เอาละครับนี่ก็ตอบที่ท่านสุรเดชได้ไม่ใช่ตอบอ่ะท่านขอให้พูดเรื่องนี้ก็เลยได้พูดไปแล้วนะฮะเอตั้เนี่ยอาจาแล้วก็ยังขอ้หขอห เลือกการครับไม่ใช่ว่าตรัสข้าเลยไ ม, ไม่ไม่ไมต้องรู้จักเวลาตัดแล้วให้เป็นประโยชน์กับเขาบางทีไปจัดในบางเวลาก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหม <c oughs> ต้องรู้จักทุกแม้ในกรณีที่ตัดก็ต้องมีการรันอยู่ต้องรู้จักการต้องรู้จักเลือกเวลาแล้วยังมีหลักเรื่องวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตวาจาที่ถือว่ากล่าวดีจะมีหลัก เป็นจริงนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะมีเหตุมีผลนะแล้วก็สมานสามัคคีหรือนะเป็นถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานแล้วก็ถูกการนะพอประมาณในต่างๆมีหลายอย่างมีในที่โน้นบางที่นี้บ้างนะคุณสมบัติของถ้อยคำเรานี้อาจจะไม่เท่ากัน แต่ว่าถ้าเรารวมไปได้ก็ดีคือหมายความไอ้ตัวเกณฑ์สําคัญมันก็จะมีอยู่หนึ่งแหละไอ้ตัวจริงนสองเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อจะให้ได้ผลดีมากมากขึ้นก็รู้คุณสมบัติของวาจาเหล่านี้ไว้มากที่สุดแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดได้ครบทุกอันนั้นแต่ว่าในกรณีใดที่สามารถพูดได้ครบทุกคุณสมบัติเราก็พูดให้ได้ทุกอย่าง เราก็รู้ว่าอ๋อวาจาที่ดีถ้อยคำที่ดีมีคุณสมบัติต่างๆเปนนี้เราก็มาตรวจสอบการพูดของเราว่าพูดได้ผลไหมโดยเกณฑ์ว่าจริงเป็นประโยชน์ถูกการเป็นคำไพเราะอะไรต่างๆเหล่านี้ยมันเป็นวิธีการทางที่ว่าถูกต้องในทางธรรมะด้วยแล้วก็เป็นการฝึกตนเองด้วยเพราะเรื่องถ้อยคำนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก ก็โบราณก็บอกแล้วว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทแต่ยังต่อนักหนังสือเป็นตรีและยังมีคนต่อไปชั่วดีเป็นจัดตวาว่าแบบนั้นที่จริงก็ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนั่นะไม่รู้ใครไปต่อปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรา เออชัดีเป็นตราไม่ใช่ชั่วดีเป็นจัตวาชั่วดีเป็นจัตวาก็แย่สินะชั่วดีจัตวาหนี่ก็เลยกลายไปว่าชั่วดีมันเป็นที่สี่หลังรังทายเป็นตรานั่นดีที่ว่าชั่วดีเป็นตราอย่างนี้ก็มีอ่ะปากเป็นเกเล็เป็นโทโบราณว่าหนังสือเป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหายถึงรู้มากไม่มีปากลําบากกายบิวบายชายเป็น อันนี้ใครล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุนพรผู้ที่ไปเอาวาจาเก่าคําบางคุณเก่ามาแต่งให้เป็นกลอนแปดขึ้นมาอีกทีเอาละจะขอผ่านไปแล้เรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องแทรก น, นี้ก็กลับมาเรื่องมรคของเราอีกความจริงเรื่องวาจาอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่พ้นไปจากมกรคนกะันแหละเพราะว่ามรคเป็นหลักใหญ่ที่คุมหมด ทางพฤติกรรมกายเรือพฤติกรรมทางกายวาจาและก็เรื่องของจิตใจและปัญญาเนี่ยมักมีองค์8แล้วก็พูดไปแล้วที่บอกว่ามักนั้นเป็นทางดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องซึ่งเป็นทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ8ประการถ้าเรามองดูอย่างที่พูดมาแล้วก็ทวนซิกทีหนึ่งบอกว่าวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตอย่างนี้ ก็มีฐานมาจากตัวสมมธิที่หรือเป็นเชื่อให้เมื่อมีความรู้เข้าใจยึดถือหลักการอย่างไรในกรณนีนี้เป็นความเชื่อความยึดถือหลักการที่ถูกต้องมันก็ออกมาเป็นความคิดแล้วก็มาเป็นการพูดการกระทําถูกต้องซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมาเป็นลําดับแล้วก็จะมีด้านจิตใจมีเรื่องของ ความเปียนพยายามสติสมาธิมาช่วยนะเราก็เห็นเรื่องความสอดคล้องเป็นลำดับไปนี้แต่ถ้ามองให้ดีอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าพอสมาธิิเป็นฐานให้ก็มีความคิดว่าจะปฏิบัติการนะให้เป็นไปตามความเข้าใจนั้นนะตัวเองเห็นว่าสิ่งนี้ดีก็จะทำสิ่งนี้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็เว้นไม่ยอมทำ สมาธิที่4เนี่ยเป็นตัวฐานาเห็นว่าเชื่อว่าอันนี้ดีสมาธทั้งกระเป๋าก็ดำลี่ว่าจะทําพอดำลี่ว่าจะทำนี่ไอ้ตัวผลักดันสําคัญนี้ไปอยู่ในใจนะคือตัวพลังของความเพียรเนี่ยจะออกมาเลยจะมันหนุนทันทีเลยนะนึกคดีมันยังไม่ทันออกเป็นการปฏิบัติการในซ้ำนะตัวเพียร น, นี่มันหนุนทันทีเลยนะมันก่อนที่จะออกมาเป็นการกระทำํำในซ้ํา ถ้าเราพูดแบบเมื่อกี้คล้ายๆว่าเป็นไปตามลำดับว่าเออเชื่อเห็นเข้าใจอย่างไรก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมแล้วความเพียรสติสมาธิมันหนุนไปเนี่ยประคับประคองให้เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเรามองอีกทีนะมีความเชื่อความเห็นความเข้าใจว่าอย่างไรว่าอย่างนี้ดีอ่านะก็ดำลี่ว่าจะทำ พอดำริว่าจะทํำฉะนั้นแหละเจ้ตัวความเพียรนี่มาหนุนทันทีเลยมาผลักดันมันจึงออกไปการกระทําใช่ไหมนะเพราะนัะ้นตัวด้านจิตเนี่เป็นตัวสําคัญมากแล้วตัวความเพียรเนี่เป็นตัวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วก็เดินหน้าบุกเก้าวหรือแม้แต่วิ่งนะไปอย่างเร็วเลยนะนี่แหละตัวเพียรนี่แหละมันมีเท่าไหร่มันก็จะผลักดันไปนะ และสมาธิก็จะมาช่วยทาให้มันสม่าเสมอมั่นคงตลอดจกนกระทั่งทำให้ไม่เร่งร้อนผลีผลามใช่ไพอดีและสติก็คุมอยู่เรื่อยเลยนะี่พราะนั้นเวลาเจ้าความเพียรมันมาออกนี่มันมาผลักดันจึงเกิดเป็นคำพูดการกระทําขึ้นมาไอ้การพูดการกระทานั่นก็เป็นเหมือนกับว่า ผลที่ถูกผลักดันมาจากเจ้าด้านจิตใจนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็เพียงแต่ว่าคุมไว้ด้วยสัมมาวาจาสัมมากรรมตะให้การกระทำหรือกิจกรรมนั้นนะ่ะไม่เสียหายน่คือไม่ไปพลาดโดยที่ว่าเป็นวาจา ก, ก็ไม่ให้ไปให้อยู่ในกรอบไม่ให้ไปล่วงละเมิดสี่ข้อ น, นั้นแล้วก็ในแง่ของการกระทำทางกายก็ไม่ให้ไปออกนอกขอบเขต ด้านไอ้สัมมาวจจานะไม่ออกนอกขอบเขตสามอย่างใช่มเพราะนั้นเมื่อไม่ละเมิดไม่เสียหายสามอย่างสี่อย่างในทางวาจาทางกายแล้วทาไปเลยนะตามที่ตัวความเพียรในจิตใจนี่มันผลักดันให้ไปนั้นะด้านจิตใจก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะ เป็นตัวที่มีบทบาทอย่างสูงเพราะฉะนั้นวายามะเนี่ยเป็นตัวเรื่องใหญ่อันนี้ว่าเพื่อวายามะความเพียรหรือวิริยะนี่มันจะได้ไม่ไปผิดทางหรือว่าไม่ผลีผลามเป็นต้นอย่างที่ว่าไปเลยเนี่ยเจ้าสติสมาธิก็มาช่วยคอยคุมคอยกำกับนะเอาละครับที่จริงพูดมามากแล้วเรื่องมรค น, ะ น, นี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือว่าเอา เราพูดกันมาแล้วว่ามรรคมีอย่างเงีวิถีชีวิตมีองค์ประกอบ8อย่างเริ่มด้วยสมาธิิเป็นฐานสมาธิิความเชื่อความเข้าใจความเห็นการยึดถือหลักการที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มให้มันเชื่อมันเห็นมันเข้าใจอย่างไรมันก็จะคิดการทําไปตามนั้นแตนี้ก็ถามย้อนเข้าไปอีกทีละอ้าวแล้วความเชื่อความเห็นความเข้าใจการถือหลักการที่ถูกต้องนั้น จะเกิดขึ้นอย่างไรนี่สิตอนนี้สิเนะี่ยเรายอมรับแล้วว่าสำคัญเนี่ยมรรคนี่ยสำคัญอย่างยิ่งและสัมมาทิฏฐิก็เป็นฐานของมรรคเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นเลยของมรรคของทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ได้เทียงแต่ว่าแล้วทำยังไงจึงจะมีสัมมาทิฏฐิเออสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือถ้าจะเปรียบในทางรูปธรรมก็ว่าทางเดินอยู่นั่น ต้องไปเดินที่ทางนั้นตั้งแต่ต้นพอเข้าสู่ทางแล้วก็เดินไปเราก็บอกว่าเอาละยอมรับทางนั้นดีถูกต้องต้องไปเดินทางนั้นแต่คนจํานวนมากเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขายังไม่เห็นเลยว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ๆเขาจะมาเข้ามาเดินในทางนี้ได้อย่างไรเนี่ยคำถามมันก็มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จบแค่ทางเป็นอันว่าให้รู้ว่าเออต้องเดินทางเนี้จึงจะถูกต้องไปสู่จุดหมาย เพื่อจะตอบคำถามว่าแล้วทำยังไงเขาจึงจะมาเข้าสู่ทางเดินเนี้ยนะหรือว่าทำไงเขาจึงจะมีสมาธิถีได้จะได้มาเริ่มต้นเดินทางนี้ก็มีคำตอบให้ก็คำตอบนั้นก็ถ้าเราพูดเป็นทางก็มีสองวิธีวิธีใหญ่ๆ ห, หนึ่งมีคนบอกทางให้ หรือช่วยนำช่วยพามาเข้าทางนะฮสองก็คือว่าตัวเองนะ่นะเป็นคนรู้จักคิดรู้จักพิจรารณาใช่ไหมต้องการทางเดินที่ถูกต้องนะรู้จักคิดรู้จักพิจรารณาก็รู้จักสังเกตสังกานะ่ดูสิ่งโน้นดูสิ่งนี้ดูไปดูมาเนะ่ยก็แยกแยะได้ในที่สุดก็สามารถมาเข้าสู่ทางนะ มองเห็นว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นน่าจะทางน่าจะตั้งตนที่นั่นคิดไปคิดมานีคนไปคนมาก็มาเจอทางเขาจนได้เนราะฉะนนั้นก็มีสองอย่างทีนี้การที่มีคนอื่นมาบอกมาช่วยชี้มาช่วยชักพามาที่ทางอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเองเนี่ยโดยลำพังก็ใช้ปัญญา คิดพิจารณาดูร่องรอยอะไรต่างๆนะ อ, อ, อาจจะมองดูว่าเ อ, อไอ้คงนี้มันมีลักษณะว่ามีอะไรมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างหรือมีรอยคนหรือรอยสัตว์หรืออะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องหมายทำให้สังเกตว่ามันน่าจะเป็นมีทางอยู่ตรงนั้นอะไรนะหรือมีต้น ไม่มองแล้วมันไม่ไม่มากไม่แน่นเหมือนกองอื่นอะไร้ยเออก็โดยสังเกตเลยเนี่ยโดยการใช้ความคิดพิจารณาเนี่ยทำให้เขามาจะถึงจุดเริ่มต้นของทางได้สาเร็จนี่เป็นปัจจัยภายในนะปัจจัยภายนอกเสียงบอกจากคนอื่นทางพระท่านเรียกว่า ok ปรโตโฆศะปรตโขกจากคนอื่นโฆศะก็คือเสียงบอกเสียงเล่าเสียงโฆษณาเสียงเชิญชวนนะ อันนี้ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยภายนอกประโตโคสะแล้วก็สองก็ปัจจัยภายในคือการรู้จักคิดพิจารณาของตนเองอันนี้ภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมราิการนะก็เข้าสู่หลักการอีกหลักหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าปัจจัยแห่งแห่งสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยสองอย่างเนี่ย อย่างใดอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายนอกได้แก่ประโตโคตสเสียงบอกจากผู้อื่นแล้วก็สองโยนิโสมรัสิการการทำในใจโดยแยบข่ายในภาษาโบราณบางงันคือการรู้จักคิดรู้จักพิจรารณาเนะเอาและเรามาได้หลักการอีกอันหนึ่งนี่ในเมื่อเรา ถือว่ามรรคในสําคัญสมาธิสิสําคัญเราก็ต้องยอมรับความสําคัญของปัจจัยสองอย่างนี้ด้วยแล้วก็น่าจะเน้นมากในวงการพุทธศาสนานี่มักจะไปเริ่มเอาแต่มรรคแล้วก็ไม่มาถามกันแล้วทาไงมันจะเข้าสู่มรรคแล้วทําไงจึงจะเกิดสมาธิธิโดยเฉพาะพวกเด็กเยาวชนอะไรพวกเนี้นต้องเน้นจุดนี้สิทาไงจะให้เขามีสมา ธ, ธิิมันต้องมาเริ่มที่ปัจจัยแห่งสมาธิธ คนอื่นที่จะมาช่วยบอกช่วยเล่านอันนี้ก็สำคัญมากเพราะนั้นจึงเน้นความสำคัญของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่สื่อมวลชนเลยที่จะมาช่วยให้ข้อมูลข่า ว, าวสารความรู้แนะนำชักจูงให้ถูกต้องหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่าทำหน้าที่อันนี้มาช่วยให้ประตตโอโคสระที่ดีที่ถูกต้อง คนนั้นเราจะเรียกชื่อพิเศษว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนั้นพ่อแม่ก็ควรจะเป็นกัลยาณมิตรของลูกช่วยให้ประโตโคสะที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่รับผิดชอบหรือรอยๆเปื่อยๆนีเรียกว่าเป็นครูก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นกัลยาณมิตรของเด็กๆ เป็นผู้กระจายข่าวสารทำงานสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ก็ต้องพยายามให้ข่าวสารแก่ประชาชนในฐานะที่ตนเป็นกัญยาณมิตรของคนทั้งหมดในสังคมนันจะต้องทําด้วยความรับผิดชอบมีความปรารถนาดีหวังประโยชน์แก่สังคมนี้แก่เพื่อนมนุษย์ให้เขาได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ชเป็นการสร้างสารรค์ เป็นผู้ปกครองประเทศบริหารประเทศนี่ก็ยิ่งสําคัญมากต้องเป็นการยานามิทของประชาชนทั้งหมดพระสงฆ์ก็สําคัญมากต้องเป็นการยานามิตรของพุทธบริษัทของประชาชนทั้งปวงทําหน้าที่ที่จะแนะนําสัง่งสอนให้เขาพัฒนาให้เขาเข้าสู่สมาัิทิฏฐิตลอดจนกระทั่งให้เขาเดินหน้าในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญา ก็ให้ปรัตตุ菩萨ที่ถูกต้องพระสงฆ์นี่เป็นกัลยาณมิตรสําคัญมากเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่ว่านําธรรมสุประชาชนเป็นผู้ให้ปัญญาเป็นผู้ให้ธรรมเป็นผู้สั่งสอนอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างของกัลยาณมิตรพระองค์ก็ตรัสไว้เองว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว e ์ทั salut, <halfway? S 2> <iceless. S 1> ้งหลายอาศัยเราผู i i ้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ใต้อํานาจความเกิดแก่เจ็บตาย โศกะบริเทวทุกโธมณฑุปายาตก็พ้นไปจากทุกเหล่านั้นนี่พระพุทธเจ้าที่มาสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นศ า, าสดานี้คือทําหน้าที่กาลยาณมิตรพระองค์ก็จัดไว้อันนี้อยู่ในพระสูตรเลยว่าเราเป็นกาลยานามิตรของสัตว์ทั้งหลายนัยประสงค์ก็ดําเนินตามปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็เป็นกาลยานามิตรแก่ประชาชนทีนี้ส่วนประชาชนเองแต่ละคนนี้ก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วย ไม่ใช่รอพึ่งต้องรู้จักคิดรู้จักพิจรารณานได้ตนเองมีอยู่ในสมรสิการแต่ว่าการที่คนจะมีอยิ่ในสมรสิการเราต้องยอมรับความจริงว่ามันน้อยคนส่วนมากแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยผู้อื่นช่วยบอกช่วยแนะนำถ่ายทอดความรู้อย่างน้อยบางทีบอกโดยไม่รู้ตัวจะอย่างสิ่งที่ถ่ายทอดต่อกันมาในวัฒนธรรมเออ จะทำอะไรจะไปไหนจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะีจะไปซื้อของที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องบอกกล่าวกันเนทะ่านั้นบางทีก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจก็บอกกันไปนะนี่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชีวิตในสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นปรตโตโคสะนะทําให้คนที่เกิดขึ้นมาในสังคมนั้นได้อาศัยนี่คนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยนี่แหละ ปัจจัยข้อที่หนึ่งคือปรโตโตโคสะโดยเฉพาะจากกัลยาณามิตรมาช่วยคนน้อยคนจะมีโยนิสงฆ์รการได้นตนเองที่จะสามารถ ด, ดําเนินชีวิตที่ดีด้วยโยนิสงฆ์ราชการน้อยคนในอย่างเด็กเกิดมาถ้าไม่มีพ่อแม่มาเป็นกัลยาณมิตรให้ปรตโตโคสะที่ดีก็ อ, อาจจะถูกชักจูงเขวกไปได้ง่ายหรืออาจจะไป สนองกิเลส ข, ของตัวเองใช่ไหมมีแต่ตัณหาความปรารถนาในการเสพเป็นต้นก็ออกนอกลู่นอกทางนั้นพ่อแม่ก็มีคุณความดีสําคัญอันนี้นเพื่อทําทให้ลูกเนี่ยอยู่ในแนวทางชีวิตที่ถูกต้องถ้าคนเราไม่มีพ่อแม่ช่วยน่ะก็ขาดหลักประกันอันใหญ่ยิ่งเลยที่สุดในชีวิตที่จะเข้าสู่ชีวิตที่ดีงามได้แต่ถึงงั้น มีหลักประกันแล้วบางทีพ่อแม่ไม่ทําหน้าที่ทําหน้าที่ไม่ดีก็อาจจะพลาดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นในสังคมนี้ก็ตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปในครอบครัวก็ต้องพยายามเนี่ยเป็นกา ร, รัญยยนามิตรแก่กันและกันโดยพ่อแม่เป็นก ร, รัญนามิตรแก่ลูกเป็นต้นก็จะประคับประคองสังคมนี้ให้เป็นไปได้ดีนี่คนจํานวนน้อยที่ว่ามีโยนิสมนสมิการเนี่ยเป็นผู้ที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงในสังคม คนจำนวนน้อยนี่ก็โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพาะระปัจเจกับพุทธเจ้าแม้แต่พระสารีบุตรพระอรหันตองค์สำคัญการที่จะเข้าถึงปัญญาสูงสุดตรัสรู้จัตสัจธรรมนี่ยังใช้โยนิโสมรรสกายของตัวเองได้ไม่เต็มที่เลยไม่สามารถตรัสรู้สัจธรรมได้ยังต้องอาศัยปรโตโขคสจากกัลยาณามิตรคือพระพุทธเจ้าใช่ไม นั้นคนที่มีโยนิสสมนัติการจริงๆถึงยอดสุดตรัสรู้สัจธรรมได้ในตนเองก็มีแต่ทันยกไวให้พระพุทธเจ้าพระปัจเจ้าพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีคนที่มียูนิสสมนักิการอย่างนี้ยุคสมัยไม่มีเกิดขึ้นนะการตรัสรู้นั่นเองไม่เกิดขึ้นนะ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของมนุษย์ของสังคมอารยธรรมจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะว่าคนทั้งหลายก็ได้แค่ตามคนเก่าใช่ไหมคนเก่ามีความรู้ปรารถนาดีก็ให้เปะนตัวโศกสะ่ายทอดมาคนใหม่ก็รับไปก็อยู่เท่าเดิมนี่อย่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอยนิสนส์ราติการพระพุทธเจ้าก็เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมสังคมเหมือนกับพระราชบิดาพระราชมารดา พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาแล้วก็ผู้ใหญ่เจ้านายในวางคนในสังคมยุคนั้นเขาก็เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้รับคําสอนคํากล่าวอะไรอย่างเดียวกันเขาก็เดินเนินชีวิตไปได้สร้างสรรค์สังคมไปแต่ว่าก็อยู่ไปอย่างนั้นเกิดตายกันไปหมุนเวียนไปพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านั้นในหมู่ผู้คนเหล่านั้น พระองค์ก็เห็นสิ่งเดียวกันที่เขาเห็นนีต้องไปทําดําเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์แล้วเขาองค์มองแล้วไม่ได้เห็นเหมือนเขาใช่ไหมอันนี้เห็นแต่ว่าเห็นนั่นแหละเห็นเห็นเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันหรือว่าเห็นเหมือนกันแต่รู้ไม่เหมือนกัน หรือว่าใช้สับพระแยกก็คือมองสิ่งเดียวกันแต่เห็นคนลยอย่างนะอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็ได้เห็นอย่างเดียวกันนั้นแต่พระองค์ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งจากการที่มองเห็นความหมายความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่คนอื่นเขาไม่เห็นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงกระทำสิ่งใหม่ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงันสังคมชบูทวี ทำให้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เรียกว่าเป็นมหาบุรุษนะสร้างยุคสมัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้อารยธรรมนี่หันเหสุธิธรงใหม่หรือความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงอะไรเนะี่ยกล้วแต่ปรโยชน์ในสมรัิกัน ม, มองเห็นอะไรอย่างเดียวกับคนอื่นแต่ว่ามันได้ความรู้ความเข้าใจยางใหม่ขึ้นมา คือยกตัวอย่างเช่น Newton, นิวตันอันนี้เอาอารยธรรมของตะวันตกนนคนอื่นเขาก็เห็นโลกเห็นชีวิตเห็นความเป็นไปาการเคลื่อนไหวสิ่งต่างต่างเห็นแม้แต่ลูกแอปเปิลหล่นมาทุกวันเอว่าเห็นแล้วเออลูกแอปเนมาว่าไอนี่ลูกนี้เสียอาอาจจะต้องทิ้งเปื้อนหรือว่ า, าลูกนี้ดีเอาไปกินจบใช่ไหม <laughs> ก็ได้แค่นั้ น, น แต่ว่าในนิวตันเห็นลูกแอปเปิลตกลงไปแล้วมันไม่ได้เห็นแค่ลูกแอปเปิลตกแล้วจะเอาไปกินหรือเอาไปทิ้งยังไงมาแต่ว่ามันเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังอันนี้อันนี้แหละเป็นโยนิสโสมนัสิการนะฮะยนิสโสมนัสิการนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนั่นเป็นตัวที่สร้างยุคสมัยเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอารยธรรมทําให้เกิดการค้นพบใหม่ๆ โดยเฉพาะมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าก็จึงต้องมีโยนูนในสมรสิการที่พูดมานี้ก็ให้เห็นว่าอยนูนในสมรสิการนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าน้อยคนจะมีเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยกาลยาณมิตรมาให้ประตูคนสาที่ถูกต้องสังคมเห็นกับคนจํานวนมากเหล่านี้จึงได้จัดระบบกระบวนการถ่ายทอด วัฒนธรรมและความรู้วิชาการต่างๆโดยจัดเป็นระบบจัดตั้งขึ้นมาเป็นจัดตั้งระบบการยานามิตรขึ้นมาเกิดเป็นกระบวนการหรือระบบที่เรียกว่าการศึกษานะเพราะนั้นการศึกษาที่เราทำอยู่เนี่ยที่มีโรงเรียนมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยก็คือระบบการยานามิตรจัดตั้งนะ เพื่อจะให้คนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งจะต้องอาศัยปรัโตโเนี่ยได้ประโยชน์ได้สามารถพัฒนาตนเองได้การศึกษาที่แท้ก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะในระบบจัดตั้งที่เรียกว่าโรงเรียนและวิทยาลัยมหาวิทยาหลัยหรือสถาบัน <S <S 1> <S 1> <ๆ>การศึกษาที่แท้จริงก็อยู่ที่ชีวิตแต่ละคนนั่นแหละใช่เพราะนั้นบางทีเราลืมไปก็ไปมองการศึกษาเฉพาะในโรงเรียนในสถาบันที่จัดตั้ง อาจจะมองข้ามการศึกษาส่วนอื่นไปเสียการศึกษาเริ่มแต่ในครอบครัวเป็นต้นความเป็นกัลยา น, นมิตรระหว่างพ่อแม่กับลูกแล้วก็เชื่อมให้กัลยานามิตรที่ทำหน้าที่มาปลุกโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นในเด็กถ้าเด็กนั้นได้มีโยนิโสมนสิการก็จะพัฒนาได้ดีและจะพึ่งตนเองได้ถ้าต้องอาศัยปรตโตโคสัจากกาลยานามิตรแกก็ต้องพึ่งอยู่เรื่อยไปนี นี่เด็กรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเด็กก็จะเริ่มเป็นาธาตุของตัณหาน้อยลงก็จะมีปัญญามาดําเนินชีวิตใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในสงฆ์นิการก็เชื่อฟังทำไปตามที่ผู้อื่นบอกกล่าวแล้วก็ถ้าไม่มีผู้อื่นบอกกล่าวแนะนําก็ดําเนินชีวิตไปตามตัณหาและวิชาใช่ไหมตามที่ตัวอยากต้องการโดยมีความไม่รู้ไม่เข้าใจมาเป็นพื้นฐานอยู่นี่ก็ เริ่มตั้งแต่มีชีวิตขึ้นมานะก็ต้องดําเนินการให้ใช้หลักปรัชญโตคุสะโดยมีกา ร, รยายนามิตรแล้วก็ฝึกโยนิโมสมนทิการกันเรื่อยๆไปไม่ใช่พอไปรอเข้าโรงเรียนเป็นการศึกษาแบบแผนที่จัดตั้งให้เป็นการศึกษาที่มีขึ้นในชีวิตจริงๆนะตั้งแต่ในครอบครัวแล้วพอไปเข้าโรงเรียนก็พอ่อครัวอาจารย์ก็มารับต่อแต่าการศึกษาในโรงเรียนจะเป็นเพียงการถ่ายทอด ศิลปะวิทยาในการที่ว่ารู้เฉพาะอย่างหรือว่าเอาไปดําเนินชีวิตทำประกอบอาชีพเท่านั้นเองนี่ตัวการศึกษาที่แท้ของชีวิตที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเนี่ยมันเริ่มมาแต่ในครอบครัวจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นบูรพาจารย์ในพุทธศาสนานี้เรียกพ่อแม่ว่าเป็นบูรพาจารย์แปล ว, ว่าอาจารย์ต้นครูต้นครูคนแรก ถ้าครูคนแรกเริ่มไว้ดีให้การศึกษาพื้นฐานไปแล้วเด็กพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาดีก็ไปถึงโรงเรียนนี้ครูก็มาเสริมมาช่วยมาให้ความรู้เฉพาะอย่างก็หนุนเด็กยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มทําหน้าที่เด็กไม่มีการพัฒนาผิดพลาดมาตัต้นนะมีพฤติกรรมที่ผิดมีจิตใจที่ผิดมี ความหลงผิดมีความเห็นผิดมาไปถึงโรงเรียนแล้วครูรบกับเด็กอยู่นั่นไม่ต้องทําอะไร <laughs> ใช่ไหมนั่นเลยไม่ต้องสร้างสารรค์ไม่ต้องเดินหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปให้ความสำคัญการศึกษาที่โรงเรียนนี่มันก็จะเป็นกระบวนการศึกษาที่บกพร่องขาดตอนโดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานหายไปเลยเวลานี้ปัญหาเรื่องว่า มนุษย์นี่ชอบแบ่งหน้าที่กันทาจนเคยตัวก็ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ในการแบ่งงานกันทาแต่ส็จแล้วมันกลายเป็นชำนาญพิเศษในแต่และเรื่องถือว่าครูนี่แหละทาหน้าที่างการศึกษาคนอื่นไม่เกี่ยวแบ่งงานกันทานั้นพ่อแม่ก็เลยยกหน้าที่ให้ครูว่าพ่อแม่ไม่มีหน้าที่ในการศึกษาจบเลย้าอย่างนี้เนี่ ก็ต้องให้พ่อแม่ตระหนักในเรื่องความเป็นบุรพาาจารย์ครูคนตน้นแล้วก็เป็นกา ร, รยายนามิตรช่วยให้ประตโตโสกที่ดีกันเด็กและชักจูงแนะนำเด็กให้มีอยู่ในสูงในการรู้จักคิดพิจารณาเด็กก็จเจริญ ง, งอกงามอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไปถึงโรงเรียนก็ครูก็สบายและเนะี่ยพ่อแม่วางฐานมาดีก็มาส่งเสริมต่อหนุนต่อให้เด็กก้าวไป ช่วยประทับประคองเด็กช่วยกระตุน้นนะก็จะเป็นไปได้ดีนะแล้วก็นอกจากนั้นระว่าที่ครูทาหน้าที่นั้นสื่อมวลชนเป็นต้นก็ช่วยหนุนเข้าไปอีกนะมันจึงจะไปดีได้เดี๋ยวนี้ครูนี่โดดเดี่ยวอยู่ในโรงเรียนทำหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่เอาด้วยแถมสื่อมวลชนก็ทาการตรงกันข้ามอีกชักจูงเด็กเขวเปไปเลยนะบางทีครูแพ้ อ, อีก ครูสู้สื่อมวลชนไม่ได้ใช่ั้ยสู้ได้ไหมครับท่านไปบุญถ้าฟังจกกะเ็นไปผมต้องสู้ครับเหลือแต่ว่าเท่าที่เป็นมานี่โดยทั่วไปในสังคมของเราเนี่ยครูสู้สื่อมวลชนได้หรือเปล่า น, นั่นสอย่างทีวีเงี้ยเป็นต้นครูก็แทบจะซีโรราบใช่ไมในบ้านพ่อแม่ก็แพ้แล้ว เคยใช้คําว่าบ้านหรือครอบครัวเป็นแดนในอํานาจยึดครองของพ่อแม่ใช่ไหมเป็นดินแดนในครอบครองของพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ทีวีเข้าไปในฐานะเป็นศัตรูเข้าไปแย่งอํานาจครอบครองดินแดนนี้ไปเสียแล้วก็เด็กนี่ไปอยู่ใต้อํานาจอิทธิพลของผู้บุกรุกเข้าไปนี่นพ่อแม่แพ้แล้วก็แถม สื่อมวลชนทีวีนี่เอาเด็กไปเป็นพวกซะด่วนพอเด็กไปเป็นพวกด้ว ย, วยแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับสื่อมวลชนนั้นสู้ไม่ได้พ่อแม่ถ้าไม่เป็นก็กลายเป็นศัตรูของเด็กไปเลยศัตรูของลูกเป็นคนละพวกเพราะลูกไปเข้าข้างทีวีนะฮเนี่ยฉะนั้นตอนนี้การศึกษากําลังจะเสียมากในอเมริกานี่เสียไปแล้วอเมริกานี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งจนกระทั่งว่า ได้เกิดกระบวนการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทีวีมีครูเป็นต้นที่ถึงกับมีการเคลื่อนไหวกันให้เขาเรียกว่ากระบวนการทีวีฟรีอเมริกานีอเมริกาที่ปลอดทีวีนะีไม่ไม่มีทีวีเลยและสู้กันและอย่างน้อยขอบอกว่าให้มีสัปดาห์หนึ่งที่ปลอดทีวีอย่างนั้นนะแว่าทีวีนี้เป็นที่มาของวาโอเลนซ์ความรุ่นแรงนะีการที่เด็ก ของอเมริกันในมีปัญหาเรื่องความประพฤติเสียหายก่ออาชญากรรมตั้งแต่เด็กๆฆ่ากันตายมากเลยเนี่ยก็มาจากทีวีเป็นตัวสําคัญนะนั้นปัญหาของสังคมปัจจุบันในปัญหาเรื่องการศึกษาซึ่งเราจะต้องมองกว้างมายถึงการศึกษาในแง่ของประตโตโคสะที่เข้ามาจากทุกด้านตั้งแต่ในครอบครัวสื่อมวลชนนะซึ่งโรงเรียนจะเป็นตัวบทบาทแม้จะสําคัญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด อย่าไปมองแยกเป็นลทัทธิชำนาญพิเศษแล้วก็ฝึกให้พีเ ด, เด็กมีโยนิสมนการพ่อแม่สําคัญอย่างพาลูกไปในที่ต่างๆก็จะไปเอาแต่ปลนเปลอสนองตัญหาของเด็กเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้การศึกษากับเด็กคือไม่ชักนําให้เด็กมีการศึกษาเพราะไปมัวจะรักลูกแสดงความรักด้วยการเอา อ, อกเอาใจปรนเปลอเมื่อปลนเปลอตามใจมันก็กลายเป็นว่า หนุนให้เด็กเนี่ยเดินเดินชิดไปตามตัณหาโดยไม่มีปัญญาก็เป็นอวิชชาตัณหาใช่ไหมแล้วอุปาทานหมายมั่นต่อสิ่งต่างๆเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดโทษขึ้นมาไม่ได้ยิงใจก็ทุกข์แล้วกเกิดความขัดแย้งในชีวิตในสังคมในครอบครัวเป็นต้นไปดังนั้นพ่อแม่ก็เป็นตัวสําคัญเลยไม่ได้มองดูบทบาทตัวเองความรับผิดชอบเพราะนั้นพ่อแม่ที่ไปตามใจเด็กก็คือไปกระตุ้นตัณหาของเด็ก ทำให้เด็กนี้ดำเนินชีวิตการในทางที่ผิดพลาดนั่นจะต้องรักเด็กด้วยปัญญาไม่ใช่สนองตัญหาไม่ใช่ไปเร้าตัญหาให้แรงยิ่งขึ้นหรือเสริมหนุนแต่ว่าพยายามให้เด็กนี้รู้จักดำเนินชีวิตปัญญาผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าพ่อแม่พาลูกไปห้างสรรพสินค้า เด็กก็เห็นสิ่งแปลกใหม่เด็กก็สนใจสิ่งที่สีสันสวยงามแล้วก็ของเล่นใช่พอเห็นของเล่นสีเขียวสีแดงสวยก็จูงมือพ่อแม่ไปหาเลยใช่จูงพ่อแม่ไปหาก็จะเอาน่นเอานี่ชี้ไปพ่อแม่ที่ไม่มีโยนิสมรรณศิการได้นตนเองก็มุ่งจะจะเอาใจเด็กนะหรือไม่งั้นก็ต้านเด็กก็ได้แค่บวกลบในเชิงตัณหาเท่านั้นเอง ไม่นําเด็กทางปัญญาก็จะายาว เ, เลยลูกอันนี้อันนั้นมันสวยกว่า น, นี้อันนี้ดีกว่าอานนท์สุ น, นี้ไม่ได้คือพูดจะในแง่ของความสนองความต้องการในเชิงตัณหาที่เป็นเรื่องเสพว่าสวยไม่สวยอะไรต่างๆเป็นต้นน่าเอาไม่น่าเอาแต่ไม่ได้หนุนปัญญาของเด็กให้เด็กรู้จักพิจารณาเอออันนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเป็นเพราะอะไร มันใช้ทําอะไรได้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือรู้จักตั้งคําถามกับเด็กตั้งคําถามเด็กหัดตั้งคําถามเด็กเนี่ยเด็กมันจะคิดมันจะได้ปัญญาต่อไปเด็กก็พัฒนาปัญญาก็เกิดขึ้นพ่อแม่ของไทยเรานี่มักจะขาดอันนี้ได้แค่สนองหรือไม่สนองตัญหาในถ้านำเด็กถูกต้องเด็กก็จะอาศัยตัญหาเป็นจุดเริ่มต้นจริง สนใจสิ่งที่สวยงามแต่พอพ่อแม่ชักนําด้วยคําถามเป็นต้นเด็กเริ่มคิดใช้ปัญญาเด็กเกิดความสนใจใหม่เกิดความใฝ่รู้การศึกษามาแล้วไปเลยเคราวนี้ดีเลยทีนี้พอหยิ่งหาเรื่องมาถามให้เยอะๆบางทีเด็กเองก็จะถามพอเราถามนี้แล้วเด็กก็จะมีคําถามเองแล้วตอบก็เด็กคราวนี้ปัญญาเกิดกันใหญ่ <c oughs> ก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอาละครับวันนี้ก็พูดเรื่อง ปรัตตโคสะกะโยนิสมราชิจการว่าปรัตตโคสะที่ถูกต้องระโยนิสมราชิจการนั้นเป็นปัจจัยแห่งสมาธิเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นในมัคนี่คือตัวชักจูงเข้าสู่มัคนะเราก็ได้คําตอบแล้วว่าเออทางมีทางนั้นดียอมรับแล้วทาไงคนจะมาเข้าสู่ทางนะี่ยสมาธิฐิถูกต้องจําเป็นสํากัดรับเริ่มต้นแล้วทาไงคนจะมีสมาธิ จะตอบว่าต้องมีปจยยัจจัยสมาธิสองประการนี้คือปัจจัยภายนอกประตโตโกสัโดยอาศัยผู้ที่จะมาช่วยหนุนอย่างสำคัญคือกัลยาณมิตรแล้วก็สองปัจจัยภายในโยนิโสมรสิการ